ก่อนอน่นก็ขออนุโมทนาเกับบรรดาญาติโยมทั้งหลายที่ได้พากันมาปฏิบัติทางด้านจิตภาวนาหรือทางด้านพระกรรมฐานซึ่งการที่ญาติโยมทั้งหลายได้พากันภาวนานั้น ได้พากันมาปฏิบัติการภาวนานั้นก็แสดงว่าญาติโยมทั้งหลายได้เห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยในวัตฏสงสารว่าจากการที่พระสมมาสัพพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ว่าการที่ พวกเราทั้งหลายต้องเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในวัฏฏงสงสารนี้นั่นน่ะเป็นทุกข์อย่างยิ่งเป็นทุกข์อย่างยิ่งเหตุทั้งนี้พระสมาูุเา้ตรัสไว้ว่าการที่ <fe el> เมื่อ เราตายนั่นโดยความเป็นจริงแท้แล้วนั่นมันตายแต่เพียงร่างกายเท่านั้นจิตใจมันไม่ได้ตายไปด้วยมันตายแต่เพียงร่างกายหรือตายแต่เพียงขันห้าเท่านั้นจิตมันไม่ได้ตายไปด้วยจิตมันเป็นอมะตะ นั้นเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายเพียงแต่จะไปเกิดในร่างใหม่อีกต่อไปเพียงแต่เปลี่ยนร่างใหม่เท่านั้นซึ่งร่างของสัตว์โรคทั้งหมดนั้นพระองค์จาัสว่ามันมีอยู่ เชนิดหร่างของสัตว์นรก 2. ร่างของเปรต3ร่างของอสุรกาย4ร่างของสัตว์เดรัจฉาน 5. ร่างของมนุษย์6ร่างของเทวดาและเจร่างของพรหมทั้งเจ็ดชนิดนี้ พระองค์ตรัสว่าเป็นสัตว์โลกทั้งหมดเป็นสัตว์โลกทั้งหมดซึ่งสัตว์โลกทั้งเจ็ดชนิดนี้แบ่งออกเป็นสองภูมิใหญ่ๆด้วยกันภูมิที่หนึ่งพระองค์เรียกว่าสุขติภูมิสุขติภูมิคือภูมิที่ดี ก็มีภูมิของมนุษย์ภูมิของเทวดาและภูมิของพรหมสาภูมินี้พระองค์เรียกว่าเป็นสุขติภูมิคือภูมิที่ดีหน่อยส่วนอีกภูมิหนึ่งพระองค์เรียกว่าทุคติภูมิทุกคติภูมิคือภูมิที่ชั่วช้าเร็วสาม หรือบางครั้งพระองค์เรียกว่าอบายยภูมิก็ความหมายอันเดียวกันคือภูมิที่ชั่วช้าภูมิที่ต่่มต่ำช้าเร็วสาอันประกอบด้วย4ชนิดด้ยวยกัน 1. สัตว์นรกสองเปรตสอสูรกาย 4. สัตว์เดราาัจฉานสัตว์โรคทัง้ง7ชนิดนี้ จะจิตนั้นจะเวียนไปเกิดเวียนไปแก่เวียนไปตายอยู่ในสัตว์โรคทั้งเจ็ดชนิดนี้เพราะจิตนั้นมันไม่ตายจิตนั้นมันเป็นอมะตะธรรมการที่จิตดวงนี้จะไปเกิดเป็นสัตว์โรคชนิดใดนั้นพระองค์ตรัสว่าอยู่ที่ การกระทาของเราในชาติปัจจุบันถ้าในชาติปัจจุบันนี้ผู้หนึ่งผู้ใดจิตของผู้หนึ่งผู้ใดมากไปด้วยโทสะคือความโกรธเมื่อตายจากชาติปัจจุบันนี้แล้วก็จะไปเกิดเป็นสัตว์นรก นี่คือจิตที่มากไปด้วยโทสะคือความโกรธเมื่อตายจากชาตินี้ไปแล้วออกจากร่างที่เป็นมนุษย์นี้แล้วก็จะไปสู่ร่างของสัตว์นรกประการที่สองในชาติปัจจุบันนี้ถ้าจิตของผู้หนึ่งผู้ใดมากไปด้วยโลภคือความโรคราคะโลภะหรือราคะมากไปด้วยความโรค เมื่อตายจากชาตินี้ไปแล้วก็จะไปเกิดเป็นเปรตหรืออสุรกายประการที่3ถ้าในชาติปัจจุบันนี้จิตของผู้หนึ่งผู้ใดามากไปด้วยความหลงคือโมหะโมหะแปลว่าความหลงเมื่อตายจากชาตินี้ไปแล้วก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอาทิเช่นหมูหมาเป็ดไก่ ช้างม้าหัวกว๋วยนะันเป็นสัตว์เดรัจฉานประการต่อไปถ้าจิตของผู้หนึ่งผู้ใดพยายามที่จะเข้าไปปฏิบัติในเรื่องของศีลห้าปฏิบัติในเรื่องของศีลห้าหรือเข้าไปปฏิบัติในเรื่องของ กุศลกรรมบท10แล้วเมื่อตายจากชาตินี้ก็จะกลับมาเกิดอยู่ในร่างของมนุษย์อีกครั้งหนึ่งถ้ามากไปด้วยศีลห้าหรือกุศลกรรมบท10ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งถ้าจิตของผู้ใดในชาติปัจจุบันนี้มากไปด้วยมหากุศล ส, สร้างมหากุศล ที่ฉันให้ทานรักษาศีลภาวนาเมื่อตายจากชาตินี้ไปแล้วก็จะไปเกิดเป็นเทวดาในเทวปุ่มสุดท้ายคือถ้าในชาติปัจจุบันนี้ถ้าปผู้ใดได้ปฏิบัติภาวนาจนกระทั่งได้ฌานชานหนึ่งชานสองฌานสามฌานสี่แล้วก็ เมื่อตายจากชาตินี้ไปแล้วก็จะไปเกิดเป็นพรหมในพรหมมะภูมินี่สิ่งที่พระสมมาผู้เจ้าเข้าไปตรัสรู้ในความเป็นไปของสัตว์โรคทั้งหลายเป็นอย่างนี้แต่อย่างไรก็ตามพระองค์ตรัสว่าไม่ว่าจะไปเกิดในภพใดภูมิใด ไม่ว่าจะไปเกิดในพบใดภูมิใดก็มีเกิดมีแก่มีตายเหมือนกันทั้งหมดเพียงแต่ว่าอายุไขเท่านั้นไม่เท่ากันต่างกันที่อายุไขแต่ว่าไม่ว่าจะไปเกิดในพบใดภูมิใดในสัตว์โรค7ชนิดนี้มีความเกิดมีความแก่มีความตายเหมือนกันทั้งหมดนี้ประการเด่ง อีกประการหนึ่งการเกิดทุกครั้งไม่ว่าจะเกิดเป็นสัตว์โรคชนิดใดทุกครั้งพระองค์ตรัสว่าเป็นทุกข์อย่างยิ่งซึ่งพระองค์ตรัสว่าการเกิดบ่อยๆนั้นเป็นทุกข์อย่างยิ่งนั่นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเมื่อมีการเกิด มันก็ต้องมีการแก่เกิดขึ้นมันต้องมีความตายเกิดขึ้นคือเมื่อเกิดแล้วมันต้องมีความแก่มันต้องมีความตายและพระองค์ก็ตรัสว่าความแก่นั้นก็เป็นทุกข์ความตายนั้นก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไปเกิดในภพใดภูมิใดในสัตว์โลกชนิดใดเป็นทุกข์ทั้งหมดเป็นทุกข์ทั้งหมด นั่นก็คือความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นอกจากนั้นแล้วนอกจากนั้นแล้วในชาติปัจจุบันนี้เราก็ยังมีความเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีความทุกข์เป็นต้นว่าอะไรเป็นต้นว่าเราต้องเกิดความโศกเศร้าบางครั้งเกิดความโศกเศร้าความโศกเศร้านั่นแหละพระองค์ตรัสว่าเป็นทุกข์บางครั้งเกิดความร่าไห้รำพัน ความร่าไห้รำพันนั่นแหละเป็นทุกข์บางครั้งเกิดความทรมานทางกายเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งความทรมานทางกายนั่นแหละพระองค์เรียกว่าเป็นทุกข์บางครั้งเกิดความทรมานทางใจเกิดความทรมานทางใจซึ่งพระองค์ก็ตรัสว่าความทรมานทางใจนั่นแหละเป็นทุกข์บางครั้งก็เกิดความขับแค้นใจซึ่งความขับแค้นใจนั่นะเป็นทุกข์ บางครั้งก็ประสบในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาประสบในสิ่งที่ไม่รักพระองค์ก็ตรัสว่านั่นแหละเป็นทุกข์บางครั้งก็เกิดความพลัดพลากจากของรักของชอบใจความพลัดพาจากของรักของชอบใจนั Seriously. ่นแหละเป็นทุกข์บางครั้งก็มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในสิ่งทั้งหลายแล้วเมื่อไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนาเรานั้น ตัวนั้นแหะคือตัวทุกข์และบางครั้งเรียกว่าจิตของเราหลงเขา้าไปยึดมัน่นถือมั่นในรูปในนามในขัน5ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราตัวนั้นน่ะคือเป็นตัวทุกข์เมื่อสรุปรวมรวบยอดแล้วกองทุกข์ทั้งหมดที่พระองค์ตรัสไว้มี12บสองประการดังที่กล่าวมาแล้วตั้งแต่เริ่มความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ค ว, กขความโศกเศร้า เป็นทุกความรํำไรําพันเป็นทุกความทรมานทางกายเป็นทุกขความทรมานทางใจเป็นทุกขความคับแค้นใจเป็นทุกความประสบในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเป็นทุกความพระภากจากของรักของชอบใจเป็นทุกขความเมื่อปรารถนาสิ่งใดและไม่ได้เป็นทุกขและสุดท้ายคือความที่จิตหลงเข้าไปยึดมั่นหรือมั่นในรูปในนามในขันท่าว่าเป็นตัวเราของเรานั่นแหละคือเป็นตัวทุกขนี่ เป็นทุกข์ที่พระสมมาผู้เจ้าเข้าไปตรัสรู้โอ้สัตว์โรคทรั้งหลายรวมทั้งมนุษย์ด้วยต้องที่การที่ต้องเวียนตายเวียนเกิดในสังสารวัฏนี้มันมีทุกข์มีโทษอย่างนี้มีทุกข์มีโทษเป็นภัยอย่างนี้พรงถือว่าเป็นภัยอันใหญ่หลวงต่อชีวิตอย่างนี้นนอาตมาจึงได้กล่าวว่าการที่ญาติโยมทั้งหลายได้พากันมาปฏิบัติพระกรรมฐานหรือการปฏิบัติ ภาวนาอย่างนี้แหละประชามนทังหลายนั้นได้รู้ได้เห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะสงสารเราจึงได้พากันมาภาวนามาปฏิบัติพระกรรมฐานอย่างนี้แล้วการที่มาภาวนาการปฏิบัติพระกรรมฐานนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไรก็เพื่อวัตถุประสงค์ในการที่จะออกจากทุก ในวัฏฏะสงสารนี้เองก็คือการที่จะเพื่อที่จะออกจากทุกในวัฏฏะสงสารนี้เองเพราะฉะนั้นการภาวนาหรือการปฏิบัติพระกรรมฐานนี้ขอให้โยมเข้าใจให้ชัดเจนเข้าใจให้ชัดเจนว่าการที่เรามาปฏิบัติอย่างนี้มีวัตถุประสงค์ประการเดียวเท่านั้นเพื่อที่จะออกจากทุก ในวัฏฏะสงสารหรือเพื่อที่จะออกจากทุกกองทุกในสิบสองประการนี้เพื่อที่จะออกจากกองทุกขในสิบสองประการนี้นี่ขอให้ตั้งเป็นวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนถ้าใครจะถามว่าภาวนาเพื่ออะไรมาภาวนาเพื่ออะไรมาปฏิบัติพระกรรมฐานเพื่ออะไรตอบได้ให้ชัดเจนเลยว่าปฏิบัติภาวนาปฏิบัติพระกรรมฐานเพื่อ ออกจากทุกออกจากทุกในวัฏสงสารออกจากทุกในกองทุกทั้ง12ประการนี้เพราะเราได้ทราบแน่ชัดแล้วว่าการที่เราเวียนตายเวียนเกิดในวัฏสงสารนี้มันเป็นทุกขอย่างนี้ทุกสิบสองประการนี้ซึ่งมันจะเกิดขึ้นกับทุกๆคน ทุกๆสัตว์โรคทุกๆชนิดไม่มียกเว้นเลยเพราะฉะนั้นใครจะรู้สึกหรือไม่ก็าตามว่ากองทุกทั้งสิบสองประการนี้เข้าครอบงำอยู่ใครจะรู้สึกหรือไม่ก็าตามกองทุกทั้งสิบสองประการนี้เข้าครอบงมจิตของสัตว์โรคทุกคนไม่มียกเว้นเลยเป็นสาเหตุไม่ใช่บอกกองทุกสิบสประการนี้ เข้าครอบงำแต่เฉพาะพุทธบริษัททั้งนั้นเท่านั้นก็หาไม่กองทุกทั้งสิบสองประการนี้เป็นสากลเข้าครอบงำสัตว์โรคทุกชนิดมนุษย์ทุกคนมนุษย์ทุกผู้ทุกนามทุกชาติทุกภาษากองทุกสิบสองประการนี้เข้าครอบงำทั้งหมดอย่าเข้าใจผิดว่าเฉพาะพุทธบริษัทเท่านั้นที่เป็นทุกขอย่างนี้ไม่ใช่ ทุกสิประการนี้เข้าครอบงำหมดทุกคนเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติภาวนานนั้หรือรการปฏิบัติพระกรรมฐานนั้นเราปฏิบัติเพื่อที่จะออกจากทุกข์ทั้งนี้เพราะอะไรทั้งนี้เพราะพระสมัยพระเจ้านั้นนอกจากจะตรัสรู้เข้าไปรู้ในเรื่องทุกข์แล้วพระองค์ยังตรัสรู้ ในธรรมะที่จะดับทุกข์ด้วยไม่ได้ตรัสรู้แต่เฉพาะเรื่องทุกข์อย่างเดียวพระองค์ตรัสรู้เรื่องธรรมะที่จะดับทุกข์ด้วยธรรมะที่จะออกจากทุกข์ด้วยธรรมะที่จะดับทุกข์หรือธรรมะที่จะออกจากทุกข์นั้นก็มีประการเดียวนั้นก็คือสิ่งที่พระองค์เรียกว่ามัชิมาปฏิปทาทางสายกลางหรือ มักมีองคปลกมักมีองค์8นั้นก็คือหนทางการปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์อันเดียวกันเพราะฉะนั้นมัชฌิมาปฏิปทากับมักมีองค์8หรือจะเรียกว่าอาริยมักมีองค์8คือสิ่งเดียวกันคือสิ่งเดียวกันคือเป็นธรรมะที่จะดับทุกขกองทุกขทั้ง12ประการนั้นหรือเป็นธรรมะที่จะ ออกจากทุกในวัฏฏะสงสารนี้ไม่ต้องไปเวียนตายเวียนเกิดในสังสารวัฏนี้ในสัตว์โรคเกีชนิดนี้อีกเพราะตามปกตินั้นเท่าที่ผ่านมานั้นจิตดวงนี้มันไปเวียนเกิดมาหมดแล้วเกิดแก่ตายในสังสารวัฏนี้มาในสัตว์โรคทุกชนิดมาหมดแล้วพระองค์ตรัสว่าจิตดวงนี้ เคยไปเกิดมาแล้วนรกทุก ข, ขุมนรกทุก ข, ขุมจิตดวงนี้ไปเกิดมาแล้วเปรตทุกชนิดจิตดวงนี้เคยไปเกิดมาแล้วสุรกายทุกชนิดจิตดวงนี้เคยไปเกิดมาแล้วสัตว์เดรัจฉานทุกชนิดจิตดวงนี้เคยไปเกิดมาแล้วมนุษย์ทุกประเภทมนุษย์ทุกประเภท จิตดวงนี้เคยไปเกิดมาหมดแล้วเทวดาพรมทุกชั้นจิตดวงนี้เคยไปเกิดมาหมดแล้วพระสมาพผู้เจ้าตรัสว่าถ้าใครสามารถจะรวบรวมกระดูกในร่างของที่จิตดวงนี้ไปเกิดมานั้นนะของจิตแต่ละดวงนั้นนะโอกองเท่ากับภูเขาเราการจิตดวงนี้ไปเกิดมาหมดแล้ว และไม่ว่าจะไปเกิดในพบใดภูมิใดมันเป็นทุกทั้งนั้นเพราะทุกพบทุกภูมินั้นมันมีการเกิดมีการแก่มีการตายทั้งนั้นไม่มีพบใดภูมิใดเลยที่ร่างกายมันจะไม่ตายไม่แก่ไม่ตายร่างกายมันแก่ตายหมดทุกพบทุกภูมิ เพราะฉะนั้นในขณะนี้ได้มีพระสมมาธุพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นในโลกนี้มาอุบัติขึ้นเฉพาะในโลกมนุษย์เท่านั้นนะโยมเฉพาะในโลกมนุษย์เท่านั้นที่มีพระสมมาพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นแม้ในโลกของเทวดาในโลกของพรหมก็ไม่มีพระสมมาพุทธเจ้าไปอุบัติขึ้นหรือ ยิ่งในสัตว์นรกในเปรตในจุรการในสัตว์เดรัจฉานก็ไม่มีพระสมมาพู้เจ้าไปอุบัติขึ้นพระสมมาผู้เจ้าอุบัติขึ้นแต่เฉพาะในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถออกจากทุกในสังสารวัตนี้ได้มนุษย์เท่านั้นที่จะมีโอกาสดับทุกได้ดับทุกกองทุกทั้ง12ประการนี้ได้ สัตว์โลกอื่นๆไม่มีโอกาสไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือพรหมไม่สามารถจะดับทุกได้ไม่สามารถที่จะออกจากทุกได้มนุษย์เราเท่านั้นที่จะสามารถออกจากทุกได้ดับทุกได้เห็นไหมความที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ต้องถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐใช่ไหมต้องถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐใช่ไหม ซึ่งพระองค์ตรัสว่ามนุษสปฏิราโพมนุษสปฏิราโพความที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นลาบอันประเสริฐเป็นลาบอันประเสริฐเพราะสามารถที่จะดับทุกข์ได้สามารถที่จะออกจากทุกข์ได้ดับทุกข์ออกจากทุกข์ในสังสารวัฏนี้ไดน้นี่ นั่นก็คือพระองค์ได้ตรัสรู้เรื่องการดับทุกข์ก็ที่เรียกว่ามัชจมาปฏิปทาหรือมัคมีองค์8นี่เป็นหนทางการปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์ซึ่งมัคมีองค์8นี้เท่านั้นมัคมีองค์8นี้เท่านั้นหรือทางสายกลางนี้เท่านั้นที่จะดับทุกข์ได้ที่จะออกจากทุกข์ได้ธรรมะอื่นไม่มี ธรรมะอื่นไม่มีขอให้เข้าใจให้ดีมักมีองแปดเท่านั้นที่จะดับทุกข์ได้มักมีมองแปดนั้นเราก็รู้ว่าประกอบด้วยองแป8คือหนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 2. ส, สัมมาสังกัปปะความดําริชอบ 3. สัมมาวาจาวาจาชอบ 4. ส, สัมมากัมมันตะการงานชอบ ห้าสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบหกสัมมาวายามะความเพียรชอบเจด็ดสัมมาสติระลึกชอบและแปดสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นชอบธรรมะนี้เท่านั้นที่จะดับทุกข์ได้ที่ทำให้สัตว์โรคทั้งหลายมนุษย์ออกจากกองทุกข์ทั้งที่สองประการในวัฏฏะสงสารนี้ได้จาก อริยมรรคมีองค์8นี้พระองค์ตรัสว่าเมื่อย่อลงมาแล้วเหลือสนั่นก็คือศีลสมาธิและปัญญาเมื่อย่อลงมาแล้วศีลสมาธิปัญญา3ประการนี้แล้เมื่อพูดถึงศีลสมาธิปัญญาหรือพูดว่าไตรสิทธิขาก็ให้หมายถึงว่านั่นคือมัชจิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง หรือมักมีองค์แปนั่นเองศีล ส, สมาธิปัญญาย่อลงมางจากมักองค์แปหรือ 3. สศีล น, นั้นถ้าเป็นพระพิสุสงฆ์สมณเณรได้จากการอุปสมบททันทีที่อุปสมบทเป็นพระพิสุเป็นสมณเณรจะเกิดเป็นศีลขึ้นมาทันทีพระพิสุก็จะมีศีล227รสมเมณเณรก็จะมีศีลสิ ทีสำหรับพระพิสูจน์สัมาเดชสำหรับคารวาดนั้นได้จากการสมาทานได้จากการสมาทานซึ่งได้ศีล2ประการศีลหกับศีล8ศีลของคารวะานั้นมีอยู่2ประการนี้คือศีลหกับศีล8แล้วก็มี2วิธีวิธีที่1ก็คือโดยการสมาทานเป็นนิจศีล สมาทานไว้เป็นนิดเลยจะเป็นตลอดชีวิตหรือจะเป็นกี่ปีก็แล้วแต่ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้หรือจะเป็นเวลานานกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่เป็นนิจจิศีลถ้าเราตั้งสัจจะไว้กี่วันกี่เดือนกี่ปีในระหว่างนั้นเราก็รักษาศีล น, น, นั้นไว้ตลอดกับอีกศีลอีกชนิดหนึ่งก็คือที่สมาทานเป็นครั้งเป็นครั้งครั้งไป รักษาเป็นครั้งครังไปนั่นคือศีลส่วนสมาธิกับปัญญานั้นได้จากการภาวนาได้จากการภาวนาอย่างนี้ได้จากการภาวนาอย่างนี้เพราะฉะนั้นในการภาวนานี้จึงมีสองประการประการที่หนึ่งเรียกว่าสมถภาวนา คือการภาวนาเพื่อให้จิตเกิดความสงบเป็นสมาธิกับวิปัสสนาภาวนาภาวนาเพื่อให้จิตเกิดปัญญานี่อย่างนี้เรียกว่าครบมัชฌิมาปฏิปทาครบมัคไม่องแปดเพราะมัคไม่งแปดย่อมมาแล้วเหลือศีลสมาธิและปัญญาต้องมีทั้งศีลต้องมีทั้งสมาธิต้องมีทั้งปัญญาขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ เพราะพระองค์ตัดไว้แล้วต้องมรรคมีองค์แปต้องมรรคมีองค์แปเพราะมรรคมีองค์แปเมื่อย่อลงมาแล้วหรือศีลสมาธิปัญญาจะขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ครบดับทุกข์ไม่ได้ออกจากทุกข์ไม่ได้พระองค์ตัดไว้ชัดเจนตัดไว้ชัดเจนต้องศีลสมาธิและปัญญาต้องศีลสมาธิและปัญญาศีลได้จากการสมาทาน คารวาได้จากการสมาทานเพราะฉะนั้นในการจะปฏิบัติภาวนาทุกครั้งจะต้องทำการสมาทานศีลทุกครั้งถ้าไม่ได้สมาทานนิจศีลไว้เพราะพระองค์ตรัสแว้ว่าศีล ส, สมาธิปัญญานั้นมันเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างนี้ศีลเป็นตัวอบรมสมาธิสมาธิเป็นตัวอบรมปัญญาแล้วปัญญาเขาจะไปอบรมจิต เพราะฉะนั้นมันต้องมีครบทั้งสามประการถ้าไม่มีศีลสมาธิเกิดขึ้นไม่ได้หรือเกิดขึ้นได้ยากมากถ้าไม่มีสมาธิปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้หรือเกิดขึ้นได้ยากมากถ้าตราบไดที่ยังไม่มีปัญญาแล้วทุกก็ยังดับไม่ได้ทุกก็ยังดับไม่ได้แหละตัวปัญญานั้น แหละตัวปัญญานั้นก็คือตัวที่จิตเข้าไปรู้ไปเห็นรูปธรรมานามธรรมาเป็นไตรลักษณ์คืออานิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นถ้าจิตไปรู้ไปเห็นอย่างอื่นไม่ใช่เห็นรูปนามหรือขันหานี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้ว ผิดทั้งหมดดับทุกข์ไม่ได้ดับทุกข์ไม่ได้พระเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นเลยรับรองไว้อย่างนั้นเลยต้องไปเห็นอย่างนั้นต้องเกิดปัญญาเห็นรูปนามขันห้าเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาเท่านั้นถ้าไปเห็นอย่างอื่นผิดทั้งหมดดับทุกข์ไม่ได้ออกจากทุกข์ไม่ได้นี่ขอให้เข้าใจหลักโครงสร้างใหญ่ๆ ให้ชัดเจนอย่างนี้ให้เข้าใจโครงสร้างใหญ่ใหญ่ให้ชัดเจนอย่างนี้มันอย่าลืมว่าที่เราเข้ามาภาวนาเนี่เข้ามาปฏิบัติพระกรรมฐานนี้เพื่อที่จะดับทุกข์ไม่ใช่เพื่ออะไรทั้งนั้นดับทุกข์ดับทุ้งทั้งสิบสอกอง น, นี้ออกจากทุกข์ทั้ง12 ส, สองกองในวัฏสงสารนี้ซึ่งพระองค์เรียกว่าวัฏสงสารสังสารวัฏสัสงสารทุกข พระองเรียกว่าสังสารวัตรสังสารทุกคือท่องเที่ยวสังสาระแปลว่าท่องเที่ยวไปวัฏะแปลว่าวนท่องเที่ยววนไปในสัตว์โลกเกิชนิดนี้เดี๋ยวก็มาเกิดเป็นมนุษย์เดี๋ยวก็ไปเกิดเป็นเทวดาเดี๋ยวก็ไปเกิดเป็นพรมเดี๋ยวก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเดี๋ยวก็ไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเดี๋ยวก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกวนอยู่อย่างนะั้นและแต่ว่าในชาติปัจจุบันนั้นจะทํากรรมสิ่งใดไว้ ก็วนไปเกิดอย่างนั้นและการเกิดแต่ละครั้งการแก่แต่ละครั้งการตายแต่ละครั้งป ร, งรุงแต่งว่ามันเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นก็จึงเรียกว่าสังสารทุกข์ท่องเที่ยวทุกไปทุ ก, ท, ก, ท, กทุกชาตินั่นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในการที่จะดับทุกข์หรือออกจากทุกข์ในวัดต่างสงสารนี้ได้ก็ต้องปฏิบัติศีล ส, สมาธิและปัญญา ต้องปฏิบัติศีลสมาธิและปัญญาและพระองค์ตรัสไว้ชัดเจนเลยว่าศีลเป็นตัวอบรมสมาธิสมาธิเป็นตัวอบรมปัญญาปัญญาไปอบรมจิตให้หายจากอาวิชชานี่คือหลักการใหญ่นี่คือหลักการอยญ่อย่าทิ้งหลักการอันนี้พระองค์ตรัสไว้อย่างนี้พระองค์ตรัสไว้อย่างนี้เพราะนั้นพระสัมมาผู้เจ้าก็ดี พระปเจกับพุทธเจ้าก็ดีพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็ดีการที่ท่านเหล่านั้นออกจากทุกข์ได้ออกจากทุกข์ในสังสารวัตรนี้ได้ออกจากระดับทุกข์ในสังสารวัตรนี้ได้ต้องผ่านศีลสมาธิปัญญานี้ทั้งนั้นต้องผ่านศีลสมาธิปัญญานี้ทั้งนั้นไม่มีเลยที่จะไม่ผ่านศีลสมาธิและปัญญาหลวงปู่มั่น โพดิทัตโตตรัสไว้อย่างนี้เลยในหนังสือมุตโตไทยในหนังสือมุตโตไทยของหลวงปู่ข้อที่17หลวงปู่บอกว่าทุกคนไม่ว่าจะวิมุติด้วยการหลุดพ้นวิธีใดก็าตามจะเป็นปัญญาวิมุติหรือจะเป็นเจโตวิมุติต้องผ่านศีลสมาธิและปัญญาทั้งนั้นถ้าไม่ผ่านศีลสมาธิและปัญญาแล้ว ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากทุกนี้ได้ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากทุกนี้ได้ต้องผ่านศีลสมาธิและปัญญานี้อืเพราะฉะนั้นีขอให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบได้เข้าใจโครงสร้างที่ชัดเจน